นาโมทัสสะพัคควาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพัคควาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพัคควาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ใลจะกิเลตัศร้ชอบได้โดยพระองค์เอง ขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพารียาทรงเจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเพื่อเพื่อขอโมทนากับเราท่านทั้งหลายที่ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติมาขัดเกลาอัธยาศัยเพื่อเป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดสัจจะทั้งสี่คือแทงตลอดทุกสมุทยัยนิริโรดและก็รมมรรคในครั้งนี้เรามาศึกษาการเข้าถึงสารณาคมให้ชัด เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานพัฒนากระแสชีวิตของเราเดินก้าสู่กุศลศีลและสมาธิและปัญญาที่มั่นคงฉะนั้นในเกาะกรณีการที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้เคยผ่านการขัดเกลาเคยผ่านการบระพิปฏิบัติกันมาหลายแห่งหลายที่และเคยฟังธรร ม, มะกันมาก็เยอะ ประเด็นมันก็เลยอยู่ว่าบางท่านก็เกิดภาวะการสับสนไม่สามารถที่จะรู้ตนเองได้ว่าการประพฤติปฏิบัติของตนเองเนี่ยบางท่านน่ะสามารถพูดไปยนถึงความไม่ยึดมัน่นความไม่ถือมั่นเรียบร้อยไปแล้วตรงนี้ให้สังเกตดูนะว่าไอ้ความไม่ยึดมั่นของเราเนี่ย มันเป็นความไม่ยึดมั่นอยู่บนความยึดมั่นหรือไม่เออมันความยึดความไม่ยึดมั่นอยู่บนความยึดมั่นเนี่ยดูเหมือนว่าอะไรอะไรเราก็จะปล่อยวางได้อะไรอะไรเราก็เข้าใจว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ตนมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เขาเนี่ยแต่ไปไปมามาเนี่ย ประเด็นกลายเป็นการหลอกตัวเองหรือเปล่าสาคัญมากนะกลายเป็นการหลอกตัวเองหรือเปล่าบางท่านยึดมั่นในชั้นของทานบางท่านยึดมั่นในชั้นของศีลทีนี้ความยึดมั่นอยู่บนความไม่ยึดมั่นเนี่ยมันก็กลายเป็นการว่าไปสําคัญตนเองว่าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในข้อปฏิบัติ ที่ชัดเจนแล้วโดยเฉพาะเกี่ยวในเรื่องการจะเข้าถึงสรณคมเนี่ยลองสังเกต ด, ดูนะบุคคลที่เขาสามารถเข้าถึงสรณคมได้ชัดเจนแล้วในเมื่อวานเนี่ยพูดถึงเมื่อคืนเอามาก็เอเดินยงกอมแล้วก็ฟังที่พวกเราถามกันเรื่องสรณคมนี่แหละเอามาก็ถ่าฟังตลอดเลยนะ ฟังที่พรท่านพูดเนี่ยก็มาเป็นคนที่ทําไมมานั่งฟังเนี่ยมาจะชอบฟังเพราะเออเสียงออกไปข้างนอกก็เลยชื่นใจเลยก็เลยเดินฟังด้วยแล้วก็ฟังคําถามของพวกเราด้วยบางทีเสียงบางทีก็มีรอดออกไปบ า, บางทีก็ไม่ได้รอดออกไปอันนี้ตอนนี้อยู่ในชั้นของการพยายามจะปรับว่าทําอย่างไรที่เราจะสามารถเดินกระแสชีวิตของเรานั้นน่ให้สู่เข้าสู่สถานะขมที่แท้จริงให้ได้เสียที เพราะว่าการถึงสารณาคมเนี่ยเป็นความจําเป็นระดับต้นถ้าหากว่าเป็นการเข้าถึงให้สังเกตคําว่าธรรมานุธรรมาปฏิปฏติอ่ะไอ้คำว่าประพฤติธรรมตามสมควรแก่โลกุตรธรรมเนี่ยเขานับอย่างไรคําว่าประพฤติธรรมตามสมควรแก่โลภุตรธรรมนี่นะก็เริ่มตั้งแต่การถึงสารณาคมที่ถูกต้อง เป้าหมายเพื่อการแทงตลอดอริยสัจธรรมทั้งสี่ให้สังเกตดูในชั้นของคําสอนนะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระหุงเวสารนางยันติเนี่ยให้สังเกตคําสอนชัดเลยนะว่าพระพุทธพจน์ที่บอกว่าบาหงเวสารนางยันติปปะพาตานิวานานาจา อารามมรกขเจติญาณีมนุสสาพยตัชิตาเอตังโคสาราังเขมังเอตังสารณมุตตมังเอตังจรณมากัมมาสบะดุคาพโมจติโยจาพุทันญ่าดัมมัญญา สังขัญจาสระนังขาโตจัตตาริอริยสัจญานีสัมปัญญาญาปสติดุกขังดุขะสมปาดังดุขะสาจาอติกามังอริยัตถังขิกังมากังทุโคปสัมมาคามินัง เอตังโคตระนังเขมังเอตังตรณมุตตมังเอตังตระนามากัมมาสะบาุดคาปะมจตินี่คือพุทธพจน์นะเป็นพุทธพจน์ที่บ่งบอกว่าตอนนี้เราเข้าถึงสารณาคมถูกไหมและข้อปฏิบัติของเราจะถูกหรือไม่เพราพระพุทธเจ้าบอกว่า มากจริงๆสาสนาที่คนนับถือมีทั้งภูเขามีทั้งป่าพนาสนมีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายที่ไม่ใช่สั ญ, ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเลยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมัววิ่งสารวนไปอยู่กับการเข้าถึงที่ผิดพลาด ไปเข้าถึงป่าไม้บ้างรุกขเจดีทั้งหลายซึ่งไม่ใช่สั ญ, ญลักษณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นบ้างไปถือพระอินบ้างถือพระพรหมบ้างหรือไปถือพวกยักษ์บ้างพวกมารพรหมทั้งหลายเป็นต้นบ้างพระพุทธเจ้าบอกนั่นล่ะไม่ใช่สารณ ะ, ะอันกเกษมนั่นไม่ใช่สารณ ะ, ะอันสูงสุดไม่ใช่เครื่องกำจัดภัยได้จริง ไม่ใช่เครื่องที่จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในพ้นจากวัตรทุกข์ได้จริงก็ลองสังเกตดูกระแสความคิดของเราว่าความมั่นความยั่งลงเนี่ยความเชื่อมั่นของเรานำไปสู่ปัญญาไหมถ้าความเชื่อมั่นของเรานำไปสู่ความมืดบอดไม่ได้นำเข้าไปสู่ปัญญานะความเชื่ออันนั้น เป็นความเชื่อที่ยังต้องแก้ไขเป็นความเชื่อที่ยังต้องแก้ไขพระุทธเจ้าอกนั่นไม่ใช่สาระอันเกเสมนั่นไม่ใช่สาณะอันสูงสุดเพราะใส่สาระนั้นแล้วไม่สามารถจะพ้นจากมหันตทุกได้มหันตทุกคือความเกิดมหันตทุกคือความแก่มหันตทุกคือความเจ็บไข้มหันตทุกคือความตายมหันตทุกคือความโศความร่ําไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแค้นใจ ไม่สามารถที่จะพ้นจากมหันตทุกเหล่านี้ได้จริงและเป็นข้อปฏิบัติที่ผิดพลาดยกตัวอย่างเช่นและเราไปดูสัญลักษณ์ที่วางอยู่บนหิ้งบูชาเราจะเห็นว่าความที่ศรัทธาอย่างลงและไม่ไม่ไม่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อยานปัญญาที่ถูกต้องเนี่ย เราจะเห็นบนหิ้งพ้าเนี่ยไม่ใช่มีสั ญ, ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวด้วยกลับไปมีสั ญ, ญลักษณ์ซึ่งไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าด้วยอันนี้บอกบอกถึงตัวศรัทธานั้นต้องแก้ไขนะแสดงว่าตัวศรัทธานั้นยังมีข้อลังเลสงสัยไม่มั่นใจในพระรัตนตรัยอยู่ไปดูบนหิ้งพ้าของชาวพุทธทุกวันเนี่ย เราจะเจอรูปอะไรแปลกประหลาดประหลาดเต็มไปหมดเนะทั้งเกจิอาจารย์อะไรต่างๆมาไปวางแท่นไว้คู่กับพระพุทธเจ้าอยู่ไหมลอันนี้ใช่สระนฮไหมถใช่สระนหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปลองพิจารณาดูว่าส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เป็นสระน คำว่าถึงในที่นั้นมาจากคำว่าพุทธทังสรนังคัดฉามีอ่ยไอ้คำว่าคัดฉามีเนี่ยเป็นกริยามันแปลว่าการเข้าไปเป็นอาการที่เข้าไปอากับกริยาที่เข้าไปยกตัวอย่างพวกเราที่ว่าทางกายกรรมวจีกรรมนั้นเราน้อมเข้ามาแล้วแต่ท่านขับเน้นที่ใจนะใจที่น้อมเข้าไปเพื่อจะได้เข้าถึงคาว่าคัตฉามียังแปลว่าการรู้และเข้าใจด้วย ต้องแปลว่าการรู้และการเข้าใจรู้จักพระรัตนตรัยที่แท้จริงด้วยถ้าถามว่ารู้และรู้จักพระรัตนตรัยที่แท้จริงให้สังเกตดูว่าส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสาณะเป็นเครื่องกำจัดภัยได้จริงแล้วเนี่ยย่อมเห็นอริยสัจด้วยปัญญาอันชอบแต่ไม่ใช่เห็นอริยสัจคือเห็นทุกเนี่ย ไปเห็นทุกข์ด้วยโมหะเห็นเนี่ยเช่นพระพุทธเจ้าสอนทุกข์ให้กําหนดรอบรู้ทุกข์อีกอย่างแต่เราก็ไปสร้างรูปแบบการกําหนดทุกข์ของเราขึ้นมาอีกอย่างซึ่งไม่ตรงกับพุทธโอวาทอันนี้ต้องแก้ไขอายกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าสอนอุบาสกอุบาสิกาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยให้ตั้งมั่นในพระรตนาตรายัย โดยการนำศรัทธาอย่างลงเพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่ปัญญาเพื่อจะทำลายอายานะคือความไม่รู้ความไม่รู้ไม่รู้ก็คือไม่รู้จากพระพุทธเจ้าไม่รู้จากพระธรรมไม่รู้จากพระสงฆ์พอไม่รู้จากพระพุทธเจ้าการไม่เข้าใจไม่รู้จักเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรด้วยไม่รู้จะปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าอย่างไรด้วย เช่นเห็นพระรูปของพระพุทธเจ้าเช่นรูปพระพุทธรูปเนี่ยก็ปฏิบัติไม่ถูกว่าจะปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าอย่างไรไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรและก็ไม่รู้จะปฏิบัติต่อพระธรรมอย่างไรไม่รู้จะปฏิบัติต่อพระสงฆ์อย่างไรไอ้คาว่าไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรคือยกตัวอย่างเช่น ไม่รู้จะตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าอยู่ที่จุดไหนของท่านมองไม่เห็นคิดถึงพระพุทธรูปก็ได้แค่พระพุทธรูปอ่ะงามสวยดีนี่เพิ่งมีการและให้สังเกตดูนะชาวพุทธเนี่ยถ้าพระพุทธรูปองคไหนที่อยู่ในร้านค้าที่ยังไม่ได้มีการมาเบิดพระเนตรก็พระพุทธรูปอันนั้นไม่ต้องไหาก็ได้ ใช่ไมเราเข้าใจอย่างนั้นใช่ไหมเราเพราะแสดงว่ายังไม่มีพุทธคุณอยู่ในนั้นฉะนั้นจะต้องมีการเอาพระไปทำพิธีเบิกเนตรก่อนเมื่อเบอิกเนตรเบรีเศ็จแล้วจึงมีพุทธคุณอยู่ในพระรูปนั้นเราเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมการเข้าใจในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเข้าใจในพระพุทธเจ้าที่ผิด ก็เหมือนอย่างนี้เหมือนสมัยก่อนที่เอามาบวชใหม่ๆเนี่ยวันแรกเนี่ยอามานึกว่าพระคู่สวดที่เขาสวดเนี่ยที่จะให้เอามาเป็นพระเนี่ยนึกว่าแต่ไอความเป็นพระเนี่ยมันวิ่งมาจากพระที่สวดนะแล้วมันเข้ามาสิงในตัวของอามาเนี่ยอามานึกอย่างจริงๆนะบวชวันแรกเลยนะนึกโอ้โหเนี่ยเราจะต้องตั้งหลักให้เต็มที่เพราะเราจะเป็นพระได้เฉพาะมีการสวดนี่แหละ เมื่อสวดเบ็ดเสร็จแล้วพระท่านก็สวดอดสุนาตูเมพันเตสังโคเลยนะขอสงฆ์ยงฟังข้าพเจ้าเราแปลไม่ได้เราไม่รู้เรื่องนี่เรานึกว่ามันจะมีของอะไรต่างๆมันวิ่งเข้ามาตัวมานะแล้วก็ทําให้ความเป็นพระจากจากจากมนุษย์ธรรมดาเนี่ยกลายเป็นพระขึ้นมาเลยมานึกอย่างนั้นมันนึกอย่างนี้ไงฉะนั้นเวลาไปมีพระพุทธรูปเนี่ยเปิดอันนี้ยังไม่มีคุณหรอกยัง ม, มีพุทธคุณในนั้นหรอกนั้นต้องไปเปิด เบิกพันนี้เบิกเนตรก่อนตรงนี้เป็นจุดให้เห็นบอกว่าถ้าหากผู้ใดศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนะตรัยแล้วเนี่ยเห็นเห็นไหมต้องพัฒนาความเห็น เ, นเพื่อไปเห็นความจริงของชีวิตมันถึงจะเรียกว่าเป็นการเข้าถึงการเข้าถึงพราชนะตรัยเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเป็นการมาฟังเพื่อเกิดความเข้าใจนะและจะได้ปฏิบัติถูกทั้งนั้นเราจะปฏิบัติไม่ถูกเลยนะยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราไม่ถึงพระรัตนาไตรถ้าคำคัจฉามี้นะ่ะถ้าไม่รู้ถ้าไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าถึงนะเราก็เพียงแต่การถือสารณาคมที่มีอาการที่ยังเป็นการถือที่ยังเศร้าหมองถามอะไรคือความเศร้าหมองการรู้ผิดเนี่ยการถือไตรสารณาคมโดยปราศจากปัญญา การปราศจากปัญญาในที่นั้นก็คือได้แค่ศรัทธาแต่ไม่มาเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจว่าเราควรจะคิดถึงพระพุทธเจ้าอย่างไรควรจะคิดถึงอย่างไรทีนี้ใหม่ๆเนี่ยไอตัวศรัทธาคือความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยมันเกิดเองไม่ได้ไงตรงนี้มันต้องอยู่การปลุกระดมปลุกเราวอะ ระดมก็คือใช้ตัวโยนิโสตัวคิดถูกนี่แหละแต่การคิดจะถูกหรือไม่ถูกมันอยู่ที่การข้อมูลที่เราฟังมานะถ้าข้อมูลเราเสพมาผิดการถึงสรารนคมก็พลาดออยกตัวอย่างเช่นการถือไตสรสารนคมที่ปราศจากปัญญาเนี่ยเพราะไม่รู้ว่าไม่ได้ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจในคุณของพระเจ้า ถ้าพูดกันอย่างย่อเนี่ยคุณของพระพุทธเจ้ามีส่วนสามส่วนใช่ไหมพระจริยาคุณพระศรีรคุณพระพุทธคุณเวลาเราสวดว่าอิติปิโสภะคะวาแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้แต่สรู้ชอบได้แต่พระองค์เองเนี่ยเวลาเราสวดสวดสวสวดไปจนเสร็จแต่เราไม่รู้ถ้าบอกว่าคำว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหังเนี่ยหมายถึงอะไร ราคะในใจพระองค์หมดหรือยังหมดหรือยังเราหมดหรือยังนี่คือความต่างจากเราไงโทสะในกระแสะใจของพระุทธเจ้าหมดหรือยังของเราหมดหรือยังเนี่ยวิธีคิดวิธีเทียบเคียงใใ จ, จะได้รู้จักตัวเองไงว่าโอ้พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทำไมพระุทธเจ้าจึงเป็นพระอรหันต์เพราะพระพุทธเจ้าหมดราคาโทสะโมหะมานะทิฏฐิในกขมลสันดานของพระพุทธเจ้านั้นบริสุทธิผ่องใสแล้ว แต่ในใจของเรายัางมืดบอดด้วยราคะโทสะโมหะทําไมเราต้องเราต้องรู้จักพระพุทธเจ้าเพราะเราต้องทําความรู้จักพระพุทธเจ้าถ้าอย่างนั้นตัวศรัทธาเรามันจะคลอนแคลนเห็นไหมตัวศรัทธาคือไปตั้งมั่นอย่างเดียวไม่พอจะต้องรู้จักก่อนพระพุทธเจ้าเป็นพระรหัน์เมื่อยิ่งรู้มากขึ้นไอตัวปัญญาก็จะมาเกื้อหนุนทําให้ศรัทธามีความมั่นคงแล้วก็ไม่หวั่นไหวมากขึ้นถึงเราจะเจอสิ่งเร้ากระทบกระทั่ง เขาบอกว่าตอนนี้ต้องไปต่อชะตานะเพราะดวงไม่ดีนะตอนนี้ต้องไปดูหมอเนะเพราะปีนี้มันชงกับปีนั้นเป็นต้นเหล่านี้นยเราก็จะไม่หวั่นไหวเพราะปัญญาไปเข้าบรรลุคุณไงแต่ถ้าตอนนี้ลองดูที่ถ้าใครมีใครมาทักเนี่ยเมื่อกี้คุณเดินไปเงาหัวคุณขาดสแสดงชะตาคุณขาบเนี่ยมันไปแล้วนะเนี่ยชีวิตมันเริ่มเริ่มไม่ค่อยดีแล้วเดีเนี้ยเข้าใจใช่ไหมเอามีคนมาทวงเอามามาทวงเราปุ๊บเนี่ยบอกนี่ฉันไปปฏิบัติธรรมมาแล้วถามไปปฏิบัติธรรม ที่เข้ามาเพาไปแก้บนก็ว่าว่าจะต้องเข้ามาปฏิบททัติธรรมเห็นไหมมันเข้ามาอย่างมันไม่ถูกกันทั้งนั้นแหละแต่ไม่เป็นไรพัฒนาให้เก้าเลยให้ได้ใหม่ๆก็มากันแบบผิดรูปผิดทางกันทั้งนั้นแหละเหมือนท่านที่บวกมาบวชมาใหม่ๆเราะไม่มีข้อมูลมาก่อนเราถูกครอบงําได้เราเบะได้วัฒนธรรมประเพณีที่มันคลมอยู่เยอะเลยนะคืออย่างนี้คือในชั้นของคําสอนของพพุทธเจ้าเนี่ย เหมือนที่เราจะต้องมีเปลือกเปลือกมะฮุ้มตรงนี้ไว้เนี่ยเพราะคนมีหลายระดับเยอมแต่อย่าลืมนะพวกเราที่เสนอตอนเองเข้ามาปฏิบัติขัดเกลาเพื่อเห็นทุกข์ละสมู ท, ทยัยทำนิโรธให้แจ้งโอปรอมารีมักเนี่ยเพื่อมาเห็นอ น, นิจจังทุกขังนะตามันต้องเลยจากสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นกลุ่มอื่นนะมาจะไม่พูดนะนี่คือกลุ่มอยากพ้นทุกข์กันยิ่งไม่ยอมทั้ำรวยกลุ่มอยากค้นทุกข์ แต่ว่ามันเลยสิ่งเหล่านี้แล้วเลยสิ่งเหล่านี้ที่จะไปเชื่อสิ่งที่ไม่ไม่ควรเชื่อแล้วนี่กลุ่มเบือนนายเนี่ยถึงบอกว่าต้องระวังเนอะอย่าไปอยู่บนความไม่ยึดมั่นบนความยึดมั่นเช่นเราสําคัญว่าโอ้ยเราปล่อยวางได้หมดแล้วเนี่ยก็เลยไปใส่ใจว่าเออเราปล่อยวางเราปล่อยวางเราไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้วทุกอย่างไม่ใช่ของเราเลยเนี่ยล้วก็เราก็ เราก็หลอกตัวเองไปเงี้ยนะนักเข้านัเข้าดูมันเหมือนจริงไงดูมันเหมือนจริงฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมาวิจัยพิจารณาว่าโอ้ตรงนี้ไม่เป็นไรมันเข้าใจมันอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเพราะธรรมดาผุ้โดยชนเนี่ยพอไปเข้าใจอะไรปุ๊บครั้งแรกนักเข้ามันก็จะไปยึดสิ่งนั้นเอานี่ต้องระวังหนึ่งเข้าใจครั้งแรกดีความรู้ความเข้าใจเรื่องสารณาคมครั้งแรกดีแต่ถ้าลองไปยึดปุ๊บนะอ๊ยเราเข้าใจถูกแต่คนอื่นเนี่ยเข้าใจผิด หน้ากรุณา ม, มากไปแล้วนะตอนนี้ไปแล้วเหมือนจะฟังทำปุ๊บเรารีบจดนี่นะจดจดจดจดจดจดจดจดแต่เป้าหมายเพื่อดีจะได้ไปบอกคนอื่นอันนี้จบแล้วนะเนี่ยไปแล้วนะเนี่ยก็เราเองยังเป็นถ้าพูดถึงก็คือว่าต้องมานาสิการสําคัญว่าเราเป็นผู้ป่วยก่อนนะนที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยเป็นผู้ป่วย แล้วเป็นป่วยที่อาการหนักด้วยป่วยหนักอันนี้ให้สกเกตดูนะว่าถ้าถ้าคนทางโลกที่บอกว่าไม่สามารถที่จะรู้ว่าตนเองกินข้าวไม่รู้ว่าตนตอนนี้อาบน้ำเขาไม่รู้เลยนะอย่างขั้นแคคนที่คนยลิตขนาดหนักนะแต่ถ้าหากว่าเรามาเนะเราเป็นชาวพุทธเนี่ยถ้าเรามานั่งฟังธรรมแล้วเราไม่รู้เลยว่าขนาดนี้กำลังเคารพ ถ้าทำอยู่ยังไงคนปฏิบัติอย่างไรหรือในขณะที่สวดมนต์ใจก็ไม่อยู่กับการสวดในขณะเจริญกรรมฐานใจก็ไม่อยู่กับการเจริญกรรมฐานอย่างนี้เขาเรียกอาการป่วยของของชาวพุทธที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสาระที่แท้จริงเพราะการถึงสาระที่แท้จริงเนี่ยเขาเห็นสัจจะไง เ, เป้าหมายก็คือเห็นสัจจะเห็นทุกข์น่ะแล้วเมื่อเห็นทุกข์เข้าใจทุกข์เนี่ยก็ปฏิบัติต่อทุกข์ได้ถูกเอางี้เราเคยเครียดกับลูกไหม ทั้งทั้งกระแสชีวิตของโลกเป็นสัจจะอะไรเป็นทุกขสัจจะใช่ไหมทําไมเราวางท่าทีกับตัวทุกขสัจจะเหล่านั้นผิดเหรอเสียงเนี่ยเสียงที่คนพูดเนี่ยถ้าเสียงชมกับเสียงด่าเนี่ยถามว่าเสียงนั้นเป็นสัจจะอะไรเอ่ะเป็นทุกขสัจจะเป็นสมุทัยสัจจะเป็นนิโรธาสัจจะหรือเป็นมรรคสัจจะเสียงเนี่ยเป็นทุก แต่ทำไมเราชอบล่ะเสียงบางเสียงอ่ะเช่นวันปีไอช่วงนี้นักปฏิบัติค่อนข้างที่ปฏิบัติกันได้ดีเหลือเกินน่าชื่นใจแล้วก็ยืดติดโอ้เขาชมแล้วเขาชมแล้วอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยยินดีเพลิดเพลินมัวเมาลุ่มหลงในทุกถ้ามีคนบอกว่าปฏิบัติรุ่นนี้ใช้ไม่ได้ นั่งก็หลับไม่สนใจคุยก็เก่งสมมุติเนียนแล้วเราเครียดไหมทั้งๆ ท, ท, ที่เสียงนั้นเป็นสัจจะอะไรพระเจ้าสอนให้ให้กำหนดรู้เอาอะไรไปรู้เอาตัวยานปัญญาเนะี่ยเข้าไปรู้รู้แล้วจะได้วางใจต่อเสียงที่ได้ยินเน่ะถูกแล้วจะได้ยอมรับได้ด้วยปัญญาเข้าไปรู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันคือเสียงนึ่มันเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรมันเกิดจากเหตุปัจจัยเพราะมีคนคิดจะพูดคำนี้ขึ้นมาเพราะมีจิตที่คิดจะพูดขึ้นมามันก็มีการเปล่งวจีคาพูดออกมาฉะนั้นเสียงเหล่านี้ไหมฐานของเสียงก็มาจากจิตที่คิดแล้วก็มีสายเสียงมีกล่องเสียงก็มีการขยับปากก็มีการเปล่งคำพูดออกมาฉะนั้นไม่ว่าจะจิตที่คิดก็ดีไม่ว่าจะเป็นสายเสียงกล่องเสียงก็ดี ไม่ว่าจะเสียงที่เป่งออกมาก็ดีทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นกฎธรรมดาของชีวิตนะกฎธรรมดาของธรรมชาตินยะที่มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้แต่มีอิทธิพลกับความยินดีเพิดเพลินกับคนที่ไม่ได้กำหนดรู้ได้ถามว่าคนที่ยินดีเพลิดเพลินในเสียงยึดมั่นในเสียงพอใจในเสียงก็คือยินดีเพิดเพลินในทุกยึดมั่นในทุกพอใจในทุก คนที่ยินดีเพื่อเพลินยึดมั่นในทุกจักพ้นทุกไม่ใช่ฐานนะไม่ใช่ฐานนะแล้วที่หนักไปกว่า น, นั้นเสียงนี้เป็นเสียงลูกเสียงนี้เป็นเสียงพ่อเสียงนี้เป็นเสียงแม่มันไปแล้วนะบรรยัติเยียวยับยหมดแล้วนะ ต, วนนตรงนี้ยเข็นไหมเราเนี่ยแค่ตรงเนี้ยเราก็จะมองเห็นว่าอูอันนี้อันนี้พูดถึงยังว่าจริงๆนะเบื้องต้นมันต้องเข้าถึงตั้งแต่สารณคมยังไงถึงจะเข้าไปแทงตลอดสัจจะยังไง ทั้งหมดเหล่านี้ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจในชั้นของคําสอนตรงนี้ท่านถึงใช้คําว่าอายานะในการรู้ผิดสังสยาการถึงตรัยสรนคมโดยความเครือบแคลงสงสัยเส้นว่าพระตนตรัยเป็นสนน่าที่พึ่งได้จริงหรือไม่ถามว่าวิจิกิจฉาเราถามว่าสงสัยพระพุทธเจ้าไหมเราสงสัยในความเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหมดไหม เช่นสงสัยในพระชาติต่างๆที่บำเพ็ญบา ร, รมีมาสงสัยไหมถามถ้าไม่สงสัยแล้วเนี่ยศรัทธาเราก็เตื้องขึ้นไหมมันนึกถึงพระชาติต่างๆของพระเจ้าก็เตื้องขึ้นไหมชัดเจนขึ้นไหมคิดถึงพระชาติที่บำเพ็ญทา น, นบา ร, รมีก็รู้สึกขนลุกขนชันเลยนึกถึงพระชาติที่บำเพญ็ญศีลบา ร, รมีอย่างยกตัวอย่างเช่นเป็นพญาช้างชะทันเนี่ย ที่หรือหรือพระชาติที่บำเพ็ญวิริยะบารมีหรือขันติบารมีอย่าลืมนะว่าแต่ละชาตินะมีบารมีครบนะยกตัวอย่างเช่นตอนที่เป็นพญาช้างฉัตรทันเนี่ยที่เป็นที่นายพานโสนุดอนเนี่ยเล่าแบบสรุปเนี่ยนะนายพานโสนุดอเนี่ยถูกนะนางสุภัททาเทวีเนี่ยที่เป็นพระมเหสีของพระเจ้าภาสีเนี่ยส่งไปใช้เวลาเดินทางเจ็ดเดือนเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเนี่ย ไปถึงในป่าหิมพานนั้นพอไปเจอก็บอกว่าเออควรจะไปขุดหลุมยังไงแล้วก็พญาช้างยืนตรงไหนพญาช้างเนี่ยมีโขงช้างอยู่ตั้งไม่รู้กี่แปดพันก็เชื่อมเป็นไปขุดหลงข้างล่างเบเสร็จแล้วก็เจาะรูกระดานเข้าไว้แล้วก็ใช้หอก ใ, ใช้ธนูใช้ลูกศรยิงพอพญาช้างมายืนอยู่ตรงนั้นเบเสร็จก็ยิงจัดเสดือทะลุหลัง แล้วก็เหนียวนายพานโสนุดรมีกําลังเท่ากับช้างเ็ดเชือก เ, เออเข้าไปห้าเชือกเข้าไปประมาณห้าเชือกกําลังขนาดนั้นแล้วเหนียวเหนียวธนูเต็มที่ในาการยิงลูกศรเต็มที่ยิยงปึก เ, เข้าไปตรงทองพญาช้างพญาช้างเนี่ยสูงสิบแปดศอกงามงามประดุดดังพวงเงิน ถ้ายืนอยู่จะประดุดังเขาไก่ราดความงดงามของพญาช้างฉัตรทเนีเราเชื่อไหมพญาช้างที่มีความงดงามอย่างนั้นจริงแล้วอยู่ในป่าหญิงวพ า, านมีอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยพอพอเราฟังเรื่องพระโพิษัทอย่างนี้ไปเสร็จปุ๊บเราบอกอุดเป็นไปไม่ได้นี่เขาเรียกว่าสังสยะมีสงสยัยสงสัยในพระจริยาคุณ เหตุผลที่เราสงสัยในพระจริยาคุณเพราะขาดอะไรหรไม่ขาดข้อแรกอะอายนะเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้ก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่บำเพ็ญบา ร, รมีมาระดับพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านที่ยกมาแต่ละพระชาติแต่ละพระชาติท่านยกพระชาติที่บา ร, รมีท่านเต็งใกล้เต็มใกล้จะเต็มแล้วฉะนั้นถึงแม้อยู่ในอัตภาพขังสัตว์ิราชานก็มีพลังมหาศาล มีพลังขันติมหาศาลมีพลังวิริยะมหาศาลมีพลังศีลพลังเมตตาปัญญามหาศาลแล้วชัดไหมพอนายพานโสนุดรมาบอกที่จะยิงช้างเนี่ยเ อ, อพอยิงช้างไปเสร็จแล้วช้างจับนายพานขึ้นมาที่แรกพอเห็นปุ๊บเนี่ยพอเห็นมีผ้าเหลืองพันกายไปเสร็จปุ๊บก็อัธยาศัยท่านปล่อยวางทันทีเลยแล้วก็ถามว่าสหายเอย ขนาดโดนยิงนะแล้วร้องเนี่ยที่แรกร้องสุดเสียงนะแล้วเขาก็สงบระงับสติแล้วก็ใช้ท่าให้พอลูกน้องบรรดาช้างต่างๆเหล่านั้นน่ะพากันวิ่งวิ่งหาศัตรูออกไปหมดแล้วก็เหลือแต่นางช้างที่เป็นนางสุภธาเนี่ยที่เป็นเป็นเป็นภรรยาก็คอเคลียท่านรู้แล้วว่าลูกสอนไม่ได้ยิงมาจาก ข้างหน้าแน่นอนแต่ยิงจากข้างหน้าจะต้องติดที่กระพงทะลุหลังแล้วจาไม่ได้ยิงด้านข้างถ้ายิงด้านข้างจะถูกด้านข้างทะลุอีกข้างหนึ่งอันนี้คงจะต้องขึ้นมาจากใต้ใตฉันท่านกลัวว่าถ้าตนเองเปิดกระดานขึ้นมาแล้วจับในพานขึ้นมาเนี่ยแล้วนางสุภาพราก็จะประทุษร้ายต้องถามให้แน่ก่อนว่าทําไมยิงยิงเหล่าถามว่าที่มีสติสัมปชัญญะอย่างนี้แปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าความบริบูรณ์ ความบริบูรณ์ของอินทรีย์ความแข็งแรงของศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญาความแข็งแรงของทานบา ร, รมีศีลเนคขมะที่บำเพ็ญมาอย่างยาวไกลในสังสารวัตนั้นรอบครอบกว่ามนุษย์ธรรมดาเมื่อเราศึกษาอย่างนี้ถามว่าพลังของศรัทธาของเราเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวและเพิ่มอินทรีย์ข้อนี้เราไหมพอให้ภรรยา ออกไปแล้วเนะี่ยภรรยาก็ทำประทักษิณเวียนขวาที่นางไปนางช้างนี่นะช้างพังเนี่เบสเกก็ทำความเคารพแล้วก็เหาะเอาไปเลยเนี่ยเชื่อไหมเ ห, หาะหาศัตรูว่าใครมามามาม า, มาประทุสลายสา ม, มีพอช้างตายกันหมดแล้วท่านก็ใช้เท้ากระทืบกระดานพอเห็นอุอันนี้เป็น ร่มผ้าขาเสาพัดนี่เป็นธงชัยของพระหานนี่แล้วคนมานึกดูใจเราเนาะเห็นผ้าเหลืองแล้วเราคลายหายโกรธไหมบาปในใจลุกทันทีเลยเมื่อเห็นผ้าเหลืองคําว่าธงชัยเนี่ยคนที่คนที่ท่าทะหารเนี่ยนะเขาจะมีธงชัยเฉลิมบุญทหารนี่ยเขไม่ยอมทิ้งธงชัยเจริมบุญนะเขายอมตายแทน ใหมค แ, แล้วแล้วคนที่บวชเข้ามาหรื อ, อยัง น, นีที่บวชเข้ามาถามว่าได้ทงชัยเนี่ยพาดกายแล้วเนี่ยกล้าถวายชีวิตไหมดูศรัทธาเราใจรู้กล้าไหมลูกว่าเราจะไม่ไมาาไมทิ้งธงนี้เนื้อและเลือดจงเหือดแห้งหายไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกกตามที เพราะว่าตายได้แต่ทิ้งธงไม่ได้แบบนี้ัหยตายได้แต่ธงนี่เราจะรักษาวไว้เพราะเป็นสั ญ, ญลักษณ์เป็นธงชัยของพระพุทธเจ้าท่านเห็นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมด้วยอัธยาสายที่ท่านบำเพ็ญเนคคามาอย่างยาวไก ล, ลก็กระตุ้นเป็นอุปนิสัยปัจยสติเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกำลังมากกำลังอินทรีย์ของท่านแข็งแรงมากท่านปล่อยวางดลยดี ถามว่าสหายเอยท่านยิงเราทำไมในพานสวนุวรรณดอนก็พูดขึ้นมาบอกว่านางสุภัทธาเทวีแพ้ท้องฝันราถนาอยากจะได้งาทั้งคู่ของท่านเลยส่งเขา้าไปยอมมาเพ อ, อท่านรู้อีกท่านระ ล, ลึกชาติได้ปุ๊บทันทีเลยนะร ล, ลึกปุ๊บระลึกได้เลย เขาบอกว่าโกหกเราทําไมก็นะนางสุภัททาก็บอกท่านแล้วว่าจริงๆไม่ได้ฝันใช่ไหมลูกดูสิในา ก, กายเราลึกชาติได้ขนาดนั้นน่ะนางสุพัตทาเทวีที่เป็นมเหสีก็ไม่ย่อเป็นดินจะเป็นคนพานนางโกรธเราตอนเป็นนางช้างนางรู้อยู่ว่านางไม่ได้ต้องการงานเลยหรอก นางต้องการชีวิตเราเพราะงาของปู่ย่าตายายที่สวยๆงามๆซ่อนอยู่นางก็รู้ว่าอยู่ตรงไหนให้พานก็สั่นปุ๊บๆุุ๊ใหญ่แลกลัวตายใช่ไหมท่านก็บอกว่าสหายเอยไม่ต้องกลัวเราหลอกเห็นไหมจงจงทำตามที่นางปรารถนาเถอะก็ให้ในายพานโสนุดรเนี่ย ให้ตัดบอกให้รีบตัดงาของเราเสียก่อนที่เราจะล้มในพานโสนุดดอนก็ขึ้นมาได้ท่านก็ย่อตัวลงมาพอย่อยอ่ยอยอ่ยอยอ่ยอย่อหน้าลงมาในพานโสนุดดอนก็ปีนปีนไ ป, นไปนงวงช้างขึ้นไปเหยียบขึ้นไปไปดุ ด, ดังพวงเงินขึ้นไปยืนยงบนไปดุ ด, ดังเขาไกรลาดนี่พอไปเหยียบบนกระพองไปสิก็ใช้ใช้เขา่าอ่ะทุ้งอ่ะทุ้งปากที่ย้อยมาเนี่ย กระทุงยักเนื้อเข้าไปแล้วก็ใช้เลื่อยจับเลื่อยอย่างธรรมะธรร ม, มงนะ่ะสอดเข้าไปในปากติดตรงเนี้ยแล้วก็ดึงกระชาบกระชาบดึงใช้แรงที่มีทั้งหมดนะ่ะเลื่อยเลื่อยเลื่อยดึงปืดปืดปืดเนี้ย ด, ด, ด, ดึงอยู่อย่างั้นจะเป็นชั่วโมงนะเลือดก็กบปากก็บริสัทท่านต้องอดทนไหมหนึ่งต้องไม่ให้ความโกรธปากฏเกิดขึ้น ทีนี้เราก็มานั่งคิดถึงเราที่ว่าถ้าเราเจอความหนาวเจอความร้อนเจออุปสรรคพยาธอันตรายต่างๆถ้าความโกรธเกิดขึ้นตอนนั้นกูศรศีนมันหายไม่มีจริงอะ่ะถ้าความโกรธมันเกิดขึ้นความทุกความเศร้าหมองความทรมานจิตใจเกิดขึ้นตอนนั้นสภาพเราเดินออกจากพุทธโอวาทแล้วนะตอนนั้นเราไม่อยู่ในพุทธโอวาทแล้ว ท่านเพงบอกว่ายามใดเธอเจอเธอเจออุปสรรคพยานันตรายทั้งหลายให้นึกถึงจริยาวัตรของเราแล้วเธอทําตามนั้นให้นึกถึงเมื่อเราคิดถึงพระจริยาคุณของท่านแล้วเกิดศรัทธาไหมเวลาเราเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอโรคภัยไข้เจ็บเจอคนด่าเจอคนตบเจอคนตีเจอคนทําร้ายนึกถึงอะไร นึกถึงพระจริยาคุณของท่านแล้วก็จะได้ยอมรับได้ด้วยปัญญาว่าพระศาสดามีความอดทนขนาดนี้แม้เราน้อยนิดยังอดทนไม่ได้ไม่สมควรกับการเป็นอุบาสกอุบาสิกาของเราเลยแล้วก็สมาทานในใจว่าเราจะต้องตั้งมั่นแล้วทําใจไม่โกรธไม่ห ง, งุดหงิดเหมือนที่พระโพธิสัตว์ท่านทําไว้ถึงทําได้ไม่เท่าท่านแต่ก็จะวางใจให้ได้ถ้าคิดอย่างเนี้ศรัทธาเกิดไหม นี่เขาเรียกว่าคิดถึงพระจริยาคุณไงของพระเดชานุวัแล้วพอสักพักหนึ่งในพานก็หมดแรงพอหมดแรงท่านก็บ้วนเลือดออกจากปากก็ถามสายเอ่ยท่านหมดแรงแล้วหรือบอกหมดแรงแล้วถ้างั้นท่านลงไปข้างล่างตอนนี้เราจะล้มอยู่แล้วให้ท่านแบกงวงของเราเนี่ย ย่อตัวมาแบบงวงของเราให้มาจับที่เลื่อยเดี๋ยวเราจะช่วยดึงให้ถ้าถ้ามีคนที่จะมาตัดมือเราเนี่ยเขาตัดไม่ขาดก็หมดแรงเราจะบอกเขาว่าสหายเออท่านหมดแรงแล้วลืมถ้า ง, งั้นท่านช่วยไปคองเลื่อยพยองมีดผ่าใส่มือเราหน่อยเ้าเราจะฟันให้ได้ไหม เนี่ยเราจะได้รู้จักโอ้นิพุนิชาเป็นอย่างนี้อัธยาศัยท่านเป็นอย่างนี้ถามว่าที่ท่านทําแบบนี้เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้ได้มาซึ่งสัมมาสัมพทิยาณเมื่อได้มาซึ่งสัมมาสัมโปทิยานเพื่อจะช่วยใคร